เกี many will ่ยตรการด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายผลทำซ้ำๆซากๆทำมาก็ค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำมาหยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากเป็นงใดอำนาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่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 พยายามคิดอ่านแต่กรองอยู่เสมอทีแรกต้พยายามผักคิดผักคน้นมากกว่าเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบุกบืนหรือความเชื่อความนิสัยความบุดดืนภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุกเป็นเครื่องดึนดูดให้เป็นไปเแก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไป่าดไปหมายที่มุน่นที่นี่